จากข้อปฏิบัติที่กล่าวไปแล้วแต่เนะี่ยคงคงแยกแยะเป็นไปโดยลําดับว่าข้อปฏิบัติเพื่อทําให้ถึงที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรซึ่งเบื้องต้นในพระสูตรนี้เนี่ยนะคงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติคือปฏิเสธกามสุขันลิกานุโยคถ้าเป็นสูตรอื่นถ้าเกี่ยวข้องกับคนนอกศาสนานั้นจะกล่าวปฏิเสธอัตตะกิลมัานุโยกแต่ถ้าพูดตรงนี้พระองค์เน้นพิเศษคือปฏิเสธ กามสุขาลิการนุโยคว่าการมัตสุขลริการนุโยคนั้นไม่ได้ช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเลยตรงกันข้ามจะเป็นไปเพื่อเพื่อทุกข์เนี่ยนะเพื่อโทษด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาทีนี้ถามว่าให้ความสําคัญกับอะไรให้ความสําคัญกับมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานั้นต้องไม่เอิงอาศัยมิจฉาทิฐิเนี่ยนะต้องไม่เอิงอาศัยมิจฉาทิฐิ มิจฉาทิฏฐิคืออะไรก็ตรงกันข้ามกับสัมมาทิฐิอย่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้ว่ากรรมรู้กรรมรู้ผลแห่งกรรมมิจฉาทิฐิปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลแห่งกรรมปฏิเสธทุกอย่างสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจนะรู้ทุกด้วยรู้ทุกตามเป็นจริงรู้สมุทัยเพื่อละรู้นิโรธเพื่อทําให้แจ้งรู้อริยมรรคเพื่อการเจริญมิจฉาทิฏฐิจะพูดตรงกันข้ามพูดเพื่อปฏิเสธ สัมมาทิฏฐิไปเลยมิจฉาสังกปะนะเป็นเป็นอะไรเป็นการมวิตกเป็นพยาบาทวิตกและเป็นวิเหงสาวิตกถ้าตรงกันข้ามอพยาบานในพระสูตรนี้ถ้าสังเกตให้ดีๆก็ชี้ชัดในข้อปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดโดยยกเรื่องราวทั้งหลายนี่มาประกอบโดยเฉพาะมีตัวอย่างอย่างดีเลยก็คือพระอริทธาภิกษุนั่นเองที่นี้ เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าข้อปฏิบัติเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทานี่เราจะรู้จักมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นข้อปฏิบัติสายกลางตามคําสอนเนี่ยโดยอาศัยอะไรเป็นหลักก็ต้องอาศัยคําสอนอาศัยคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ น, นะประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยก็คือคําสอนพระพุทธเจ้านับหนึ่งก็คือสอนเพื่อให้พ้นจากวัตทุก์ที่เรียกว่าวิมุตติรสแบ่งเป็นสองคือทํากับ วินัยแบ่งเป็น3คือปิดก3แบ่งเป็น5นิกาย5แบ่งเป็น9ก็คือคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9นี้คําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9หรือพระไตรปิฎกก็มีผู้ที่เรียนอยู่3ประเภทคนที่เรียนพระไตรปิฎกมีอยู่3ประเภทประเภทที่1เรียนเพื่อลาบส ก, การะชื่อเสียงและสรรเสริญซึ่งอัตถกาถาบอกว่าถ้าจะเรียนอย่างนั้นหลับดีกว่าเพ่อไตรพ่อเรียนพ่อแล้วก็ไม่เอาไปไตรตรองไม่ไปพิจารณาและไม่น้อมไปเพื่อการ ประพื่อปฏิบัติเป็นต้นไม่ไม่เรียนเพื่อจะปฏิบัติตามไม่เรียนเป็นคาถาวถัตถุไม่เรียนเป็นสันเลขธรรมเนี่ยนะเมื่อไม่เรียนเป็นคาถาวถัตถุก็ไม่น้อมไปเจริญไม่น้อมไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นการศึกษาและการปฏิบัติอันนั้นก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรตรงกันข้ามผู้ที่ศึกษาพระธรรมคาสอนอย่างผิดพลาดเช่นกับอริทธาภิสุก็ตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ที่มาทําลายพระาศาสนาของพระองค์เนี่ยนะ ส่วนบุคคลที่สองที่เรียนปริยัติก็คือเรียนเพื่อนิสรณัาถะก็คือเรียนเพื่อนําออกจากวัตะเรียนเพื่อบรรลุมรผลนิพพานาแล้วก็ประเภทที่3ก็คือพระอรหารทั้งหลายพาธอาหารหทั้งหลายเรียนเพื่อรักษาแบบแผนและก็วงของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทีนี้ผู้ที่เรียนปริยัติธรรมเนี่ยนะก็ต้องกําหนดจดจําว่าอะไรเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเธอทั้งหลายพึงรู้ ถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ของเราก็คือว่าถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเอาไว้ก็ให้จําเอาไว้อย่างนั้นเถอะทีนี้ถ้าจําแล้วไม่เข้าใจให้ถามพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถามพระพุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรเป็นต้นทีนี้ธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะที่กําหนดจดจําแล้วสาระของการจําเอาไว้จําไว้ทําไมจําเอาไว้เจริญเป็นสมถะกับวิปัสสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีอยู่2 อ, อย่า ง, งนั้นคือสมถะกับ วิปัสนาก็คือคําสอนที่สมถะนี่แบ่งเป็นอธิศีลกับอธิจิตวิปัสสนาก็คืออธิปัญญาก็คือศีลสมาธิและปัญญาอธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอธิศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะส่วนอธิอธิจิตละ่ะสัมมาวายามะสัมมาส ต, ติและ สัมมาสมาธิเพราะนั้นคำสอนของพระองค์ก็คือสอนสมถาวิปัสสนาย่อขยายก็เป็นมรรคแดเป็นโพธิปัจจยธรรม37เป็นต้นธรรมะเหล่านั้นพระองค์สอนเปรียบเหมือนด้วยทุน่นเปรียบเหมือนแพรเพื่อจะข้ามจากวัฏะสู่วิวัตะและพระองค์ก็บอกว่าแม้แต่ธรรมพระองค์ก็ไม่ให้ยึดถือจะกล่าวไปยายถึงอธรรมเนี่ยนะถ้าต้องการปรารถนาจะบรรลุมรรคผลก็ต้องไม่มีฉันทะฆาา่าแม้แต่ในสมถะและวิปัสสนา ฉันทราคาเป็นปหาตัปปธรรมเป็นธรรมที่ควรละสมถาวิปัสนาเป็นภาเวตัปปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญทีนี้มันถ้าเกิดเข้าใจพลาดหมว่าไปเจริญฉันทราคะแล้วติดในสมถาวิปัสนาถ้าอย่างเงี้ยพลาดเข้าใจผิดแล้วนะมันก็ต้องเข้าใจให้ถูกว่าสมถาวิปัสนาเป็นภาเวตัปปธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญต้องทําให้มากส่วนฉันทราคะนั้นเป็นปหาตัปปธรรมเป็นธรรมที่ควรละ เพราะว่าฉันราคาตัวนี้แหละที่นําไปสู่พบใหม่นี่คําสอนคือสมถาวิปัสสนาเปรียบเหมือนเรือเปรียบเหมือนกับแพเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับเรือเปรียบเหมือนกับแพเรือเพื่อจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งแพก็คือเพื่อข้ามฟากชั้นใดสมถาวิปัสสนาของพระองค์ก็สอนเพื่อจะข้ามจากวัฏตะสู่มิวัฏฏะมันท่าตรัสรู้ที่สุดแห่งทุกแล้วเนี่ยนะเรือหรือแพเนี่ยถ้าคนจะปฏิบัติให้ถูกคาอย่างไร ก็คิดว่าเออเรือนี้มีอุปการะมากทุนนี้แพนี้มีอุปการะมากปล่อยไปตามน้ําหรือว่ายกขึ้นบกเอาไว้ฉันบาผู้ที่เรียนเห็นว่าสมถะและวิปัสสนาคําสอนของพระองค์มีอุปการะมากเขาทำยังไงเมื่อตรัสรู้แล้วก็เช่นกับพระสารีบุตรท่านปฏิบัติอย่างไรกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านเป็นพธาตุหันกิจของท่านเสร็จแล้วพระมหาโมคัลานะพระมหากสปะพระนุรุทธะพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านทำตัวอย่างไรกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ท่านสำเร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ช่วยการรักษาทุน่นรักษาแพรเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางแก่คนคนในยุคหลังๆจะได้ข้ามฝากตามพระหมหากรสปะเป็นต้นพระษารีบรเนี่ยนะทำสังคยนาพระสูตรก่อนเพื่อนเลยสังคีติสูตรเป็นสูตรที่ระษารีบทเนี่ยทสังขยนาครั้งแรก ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่แต่ก็เรียบเรียงบางหมวดเนี่ยนะเรียบเรียงเป็นสูตรเดียวไม่ไม่บริบูรณ์ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีการประชุมพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยนะแบบแบบที่พระมหาสปะท่านทำเนี่เป็นการทําที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนะแต่ก็ได้เข้าโครงละได้เข้าโครงได้อะไรเยอะแะไปหมดเลยซึ่งแนวทางเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุให้พระอานนท์เป็นต้นได้ทาสังคารนาตามรอยที่ พระษาริบุตรได้ทําสังขยนาเอาไว้และพระธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดํารงอยู่ในโลกช่วยเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้ตามานะตั้งแต่พระองค์มีพระชนอยู่หลังที่พระองค์หลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้วคําสอนของพระองค์ก็ช่วยให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้มาโดยลําดับเพราะท่านเหล่านั้นก็ช่วยการรักษาแบบแผนอริยวงอริยธรรม เหล่านั้นให้ดำรงอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทีนี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลา ย, าล ย, ลายผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยก็ปฏิบัติโดยไม่เอิงอาศัยมิชฉาทิฐิในในไรในขันท่ามิจฉาทิฐิมันไม่เกิดที่อื่นหรอกมันเกิดเฉพาะในขันท่านั่นแหละไม่มีนิทิทิฐิใดๆที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เป็นนิโรธสัจนะแต่นิโรตันหามีแต่ว่าทิฐิที่ นิโรตันหามเป็นอุเฉทิฐิแต่ว่าสภาวะของทิฏฐิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มีเพราะนิพพานนะท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ที่อะไรที่ถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิถอนเหตุแห่งทิฏฐิถอนความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิถอนความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิแล้วก็ถอนเชื้อแห่งมิจฉาทิฏฐิพระนิพพานจึงเป็นธรรมที่สงบสังขารเป็นธรรมที่สละคืนอุปธิเป็นธรรมที่สิ้น ตัณหาเป็นธรรมที่สำรอกเป็นธรรมที่ดับเป็นสภาวะแห่งนิพพานที่สิ้นตัณหาทีนี้ทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นที่อาศัยเกิดขึ้นก็าบอกมีอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าขันเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิปกติขันทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามาณเละทิฏฐิปุถุชนทั้งหลายผู้เฝ้าวัตตะผู้สร้างวัตตะก็คือตามเห็นขันห้าว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราด้วยตัณหามานะทิฏฐิอันนี้วิธีสร้างวัตตะง่ายๆแต่ก็สร้างประสบความสําเร็จกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะปกติเนี่ยนะพวกเราทั้งหลายนั่นเลยสร้างขันห้าจนประสบความสําเร็จใช่ไหมแบกกองทุกข์ก้อนเริ่มเลยทีนี้วิธีตรงกันข้ามละ่ะแล้วเห็นขันห้าอย่างไรจึงจะเพิกถอนมิจฉาทิฏฐิได้เห็นอย่างไรจึงจะถอนมิจฉาทิฏฐิได้ก็ตรงกันข้ามเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วย ทุกขานุปัสนาคืออะไรก็ตามถ้ามันเป็นภาระนี่เราอยากจะบอกไหมว่าเป็นของเรามันเป็นภาระมันทุกข์เหลือเกินอะไรเหลือเกินเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ใช่ของเราแล้วไม่สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะบอกว่านั่นเราได้ยังไงถ้าเราแล้วต้องแน่นอนใช่ไหมถ้าเรานี่ต้องแน่นอนทีนี้มันเกิดไม่แน่นอนบอกไม่ได้ว่าเป็นเรานี่แล้วมันเป็นอะไรเป็นอัตตาของเราเพราะว่ามันก็อยู่กับเรานะแต่ว่าเราไม่มีอำนาจกับมัน อย่างร่างกายของเราเนี่ยมันก็อยู่กับเรานะว่าคุณจะลุกคุณก็เอาลุกพาลุกพาเดินพายืนพานั่งพานอนแต่ฉันอยากป่วยฉันก็ป่วยนะฉันอยากหายฉันก็หายนะถ้าแกดูแลดีฉันก็ก็ไม่ป่วยถ้าดูแลผิดพลาดฉันก็ป่วยก็เหมือนกับดูแลอสสารพิษเท่านั้นเองดูแลดินผิดน้ําดูแลน้ําผิดลมดูแลลมผิดไฟดูแลไฟผิดดินก็ดูแลมันก็ยุ่งมันก็ตีกันเองมันทะเลาะกันเองนะธาตุดินทะเลาะธาตุน้ําธาตุน้ำทะเลาะธาตุไฟธาตุไฟทะเลาะธาตุลมแต่คุณดูแลนะ แต่ไม่มีอํานาจอะไรสรักอย่างเลยเนี่ยไม่มีอํานาจทําท่าเหมือนจะยกมือยกไม้จะยกะจะลุกจะเดินจะเหินได้ทีนพยศขึ้นมามันก็กระดิกไม่ได้เลยเหมือนกันนนั้นก็เป็นอย่างนี้เขาบอกเอ้าเจะ้าว่าเราว่าของเราว่าเป็นอัตตาของเราได้ยังไงมันก็เลยไม่ถามว่าเป็นใครก็เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ปุถุชนก็พยายามจะเข้าใจผิดว่าเรานะว่าของเรานะว่า อัตตาของเรานะว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนว่าสรพัดเสกสรรมาว่าแล้วก็มันเป็นอย่างที่ว่าไหมล่ะมันต้องตรงสิ่งใดที่ปุตุชนยึดถือเอาไว้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นไปอย่างที่ปุตุชนยึดถือเลยเพราะฉะนั้นจะไปยึดมันทำไมล่ะเมื่อไม่ไม่เป็นอย่างที่ยึดและจะไปยึดมันทาไมเอาถามว่าปุตุชนถ้าจะยึดยึดว่าอย่างไรยึดว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราแล้วยึดแล้ว กำไรที่เกิดจากการยึดถือได้อะไรโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาสิ่งใดที่ยึดมากสิ่งนั้นก็โศกมากนะความยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งความโศกเพราะงั้นก็มองตรงกันข้ามถ้าไม่ยึดนะไอ้ไม่ยึดนี่แปลว่าทําไงปล่อยทิ้งเลยปล่อยปละละเลยไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องอาบเข้าวไม่ต้องกินไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรเลยเอ้าก็ไม่ยึดไงก็ปล่อยปละละเลยไปเลยหมดเรื่องอันนั้นปล่อยปละละเลยไม่ใช่ปล่อยตาม คำสอนปล่อยตามคำสอนก็ดูแลทุกอย่างโดยศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะก็ปล่อยว่าไงยังไงว่ามันก็ไม่เที่ยงก็ใส่ตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกก็ใส่ใจตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกมันเป็นอนัตตก็ใส่ใจตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงอย่างไรก็ใคร่ครวญเข่าที่มันจะเป็นเห็นตามความเป็นจริงตามที่สังขารมันเป็นทุกประการ แต่ก็เออมันไม่เที่ยงก็รีบเรียบไงให้มันไม่เที่ยงเร็วๆจะได้เห็นเร็วๆว่ามันไม่เที่ยงก็ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยจักขรวิญญาณนั้นปัญญานี้จะส่สองเห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันตามที่ขันนั้นเป็นความจริงความจริงของขันอดีตเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรและปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยนะเโดยใจความโดยสรุปในพระสูตรก็เห็นแยกแยะสองฝั่งว่าระหว่างวัฏตะกับ วิวัตต์เป็นพระสูตรที่ประกาศอาริยสัจหลายรอบมากแต่ประกาศโดยนัยะต่างๆเพื่อแก้ลัทธิแก้มิชัตทิฏฐิโดยใช้โวหารต่างๆโดยใช้พยัญชนะต่างๆแต่ก็เพียงให้เห็นว่าให้เห็นตามตอนท้ายของสูตรจะบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเนี่ยนะทีนี้ข้อปฏิบัติเนี่ยนะถ้าสำหรับบุคคลที่ไม่ไม่มีทิฏฐิวิจิตพิสดารอะไรมามากมายเนี่ย ใส่ใจตามความเป็นจริงอ่ะนะแบบบทธรรมวัชเช้าเนี่ยนะว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่แม้ความตายแม้ความพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากของรักปรารถนาแล้วผิดหวังก็เป็นทุกข์สรุปว่าทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั่นแหละคือตัวทุกข์เอกในหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ ตัวทุกหรือตัวเราสาธุขอให้พูดจริงเนี่ยนะว่าจริงอะไม่ว่าวตัวจะไม่จริงต้องเรีงนะมันเราทุกทีเลยนะว่าเราได้ยังไงใช่ไหมอา้ามันเป็นผมหรือเป็นเราบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้บอกเป็นผมมาว่าผมเราเปลี่ยนสีได้ยังไงไงนะแต่ก็คือสรุปว่าเอาเราจะได้ต้องเรียงนะเานาะมกว่าเราเนี่ยว่าเราเนี่ยตอนแรกว่าเอ๊อาไม่ใช่เราอพอแตะหน่อยบอกเราอีกแล้วอย่างเงี้ะ ว่าขอให้มันไม่ใช่เราจริงๆเธอเนี่ยนะอ้าวแล้วมันเป็นใครมั น, นก็เป็นรูปล่ะ